สำรวมใจของตนให้ดีใจนี้มีปกติเที่ยวไปดวงเดียวไม่มีรูปร่างแต่มีถ้ำคือร่างกายเป็นที่อาศัยผู้ใดจกสำรวมใจให้ดี ผนั้นจะ้นจากบ่วงแห่งมารพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้อย่างนี้ฉะนั้นเรามาวินิจัยกันดูให้รู้ให้รู้ล <c oughs> ักษณะของกายลักษณะของจิต จิตนี่ไม่มีรูปร่างอะไรไม่มีสีสันวันลนะเส่นสีเขียวสีแดงเป็นต้นไม่มีแล้วก็มักจากคิดไปไกลทีเดียวว่าแต่สัญญามันจำเรื่องอะไร ไหวได้ใหญ่นี้มันก็คิดส่งไปตามสัญญานั่นไปตามเรื่องนั่นนั่นเรื่องที่คิดนั่นเป็นที่น่ายินดีก็มีเป็นที่น่ายินร้ายก็มีด้วยเหตุนี้แหละมันจึงได้สร้างสตัณหาขึ้นในใจอย่างมากมาย ก็เนื่องมาแต่ความคิดนี่แหละเป็นมูลเหตุเมื่อมันไม่คิดแล้วมันจะอยากได้อะไรแล้วนั่นแหละแน่น้นการภาวนาจึงว่าเรามาเพียรพยายามรั ง, งับความคิดในดวงจิตนี่แหละให้มันสงบลงเมื <c> ่อ <oughs> <c oughs> มันสงบลงไปแล้วมัน จิตนี่มันจะผ่องใสแล้วมันจะมองเห็นโทษแห่งความยึดความถือเหล่านั้นแบบนี้นะ<ม>ว่าความยึดถือเหล่านั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นเพราะไปยึดถือของไม่เที่ยง<ม>เช่นมายึดถือร่างกายอย่างนี้นะกูร่างกายนี้มันไม่เที่ยงเนี่ย แล้วจะให้มันตั้งยังยืนอยู่ให้เป็นไปตามความประสงค์ของดวงจิตนี่ได้อย่างไรอ่ะมันเป็นไม่ได้พระองค์จึงได้เปรียบร่างกายในวน้ยร้ายในเปรียบเหมือนอย่างหม้อบ้างธรรมดาหม้อดินในช่างนี่จะตีให้เป็นหม้อเล็กหม้อกลางหม้อใหญ่ ก็ดีเผาให้สุขแล้วก็ดียังไม่สุขก็ดีผลสุดท้ายมันก็แตกถลกลายลงไปได้บรรดาโม้และไหทั้งหลายเหล่านั้นมันไม่มีอะไรที่จะยั่งยืนอยู่ได้ร่างกายของคนเราก็เป็นเช่นนั้น ย่อมมีความแปรปวนแตกดับไปเมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมจึงมาห่วงนักห่วงหนาร่างกายนี้บางอย่างพระองค์ก็เปรียบไว้เหมือนกับเรือรั่วธรรมดาเรือนี้เรือที่ทำด้วยไมยน้นี่ใช้ไปนานไปมันก็ แตกก็เ้าน้ำก็เข้าต้องเอาชีเอาชันมายากันตาให้แห้งแล้วเอาลงน้ำไปใช้ไปใช้ไปชไปั่วระยะหนึ่งเอาชีก็แข็งตัวแล้วก็แตกเล้าน้ำก็ซึมเข้าก็ยาใหม่อยู่อย่างนั้นแหละ ถ้ามันยาไม่ไหวจริงๆแล้วก็ทิ้งฉันใดร่างกายอันนี้ก็เหมือนกับเรือลำหนึ่งนั่นเองเนี่ยก็ต้องเยียวยากันอยู่อันยาประจำแท้แท้แล้วก็ได้แก่เข้าวกับน้ำนี่ร่างกายอันนี้จึงได้ทรงตัวอยู่ได้บัดนี้ เพียเพียงแต่ลำพังข้าวกับน้ำอย่างเดียวเยียวยาร่างกายนี้ตลอดไปไม่ได้เมื่อร่างกายนี้ถูกรบภัยเบียดเบียนเอาก็ต้องมียาพิเศษอีกขนาดหนึ่งสำหรับหมอผู้ชำนาญโรคเมื่อตรวจดูเห็นว่าผู้นี้ เป็นโรคชนิดนี้จะต้องใช้ยาขนาด น, นี้ให้รับประทานมันถึงจะบรรเทาหายไปได้หมอจึงได้ให้ยาขนาด น, นั้นมาดื่มหรือมารับประทานหรือไม่เช่นนั้นควรฉีดกดฉีดเข้าไปตามเส้นตามกล้ามเนื้อให้ยานั้นไป ถ้าจัดอาการของโรคต่างๆออกไปหรือว่ายาบางอย่างก็ใช้บำรุงบำรุงร่างกายอันนี้ให้มีกำลังแข็งแรงขึ้นเช่นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมอันนี้ไปไปแล้วมันก็อ่อนแอลงจะต้องใช้ยาบางอย่างมา รับประทานเข้าไปบำรุงให้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอันนี้มันมีกำลังขึ้นเป็นปกติตามเดิมถ้าต้องเยียวยาไปอยู่เนี่ยร่างกายอันนี้โรคบางอย่างมันก็เป็นโรคเรื้อรัง เยี่วยาราบาทแล้วเกินกินยาไปแล้วสงบลงหน่อยนึงพัเกิดขึ้นมาอีกแล้วกินยาไปก็สงบลงไปไม่นานก็กาเริบขึ้นมาอีกเป็นอยู่อย่างนี้จะตายก็ไม่ตายจะหายขาดไปก็ไม่หายานี่ท่าน เรียกว่าโรคกรรมโรคเวรอย่าอย่าไปเสียใจน้อยใจก็ทำอย่างไรได้ตนได้ทำกรรมทำเวรใส่ตัวมาแต่ชาติก่อนโน่นกรรมนั้นมันตามมาสนองเอาเราจะเอาไปโยนทิ้งให้ใครใครเขาก็ไม่รับเมื่อตนทำเองตนก็สเสวยมันเอง โดยความอดกั้นทนทานไปอย่าทำใจให้เศร้ามองขุนมัวเศร้าโศกเสียใจต่างๆนานาเมื่ น, นี่มันถึงจะพ้นจากทุกข์ได้เมื่อโรคภัยกำเริบขึ้นมาก็ไปเสียใจกับโรคภยัยก็ไม่พ้นจากโรคภยัย เกิดไปชาติใดก็ไปเจ็บอยู่นั้นแหละเมื่อมันเจ็บมาก็าเสียใจเศร้าโศกกรูวตายไม่สามารถจะอบรมจิตนี้ให้ตั้งมั่นอยู่ได้ด้วยฝุสนธรรมเช่นนี้นะก็ผู้นั้น่ะไม่พ้นจากทุกข์ได้สักทีชาติแล้วก็ชาติเล่าเกิดมาได้ อัตภาพร่างกายอันนี้มาแล้วก็มาเป็นทุกข์เป็นโศกร้รองไห้คร่ำครวญกับร่างกายอันนี้แหละเมื่อมันวิบัติลงเพราะว่าใจไม่ได้ฝึกฝนอบรมมานะ่ะมันก็เป็นอย่างนี้แหละดังนั้นผู้ที่ได้รับฟังโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ก็จึงไม่ควรปล่อยจิตของตนให้เลื่อนลอยให้เศร้าโศกเสียใจไปกับความเจ็บความปวดความวิบัติแห่งร่างกายสังขารนี้ฝึกมันอดกั้นทนทานไปแล้วก็บำเพ็ญบุญกุศลไปเอาบุญกุศลเป็นกำลังโน้มใจละลึกถึงคุณพระ รัตนกรแก่สามประการเป็นที่พึ่งไปเอาบุญเอาคุณเหล่านี้เป็นที่พึ่งในใจไว้ใจจะได้มีกำลังเข้มแข็งเมื่อเวลาทางกายอันนี้มันวิบวับลงใจของผู้นั้นมีที่พึ่งอยู่แล้วก็ไม่หวั่นไหวแล้วบันนี้นะก็จะนึกถึงที่พึ่ง เมื่อที่พึ่งบางเกิดขึ้นมาแล้วจิตนี้ก็ยอมตั้งมั่นไม่หวั่นไหวแล้วทั้งมีปัญญารู้เท่าร่างกายนั่นตามเป็นจริงด้วย <Okay. S 1> เพราะว่าเรื่องบุญคุณอันนี้เนะี่ยเมื่อบุคคลใดสะสมรวรวมมาไว้ในใจนี่ให้มากๆเข้าไปแล้วมันก็เกิดปัญญาขึ้นเลยไม่ใช่ว่ามันมีแต่บุญมีแต่คุณ อยู่ในใจเฉยๆนะเมื่ออบรมสะสมให้มากเข้าไปแล้วมันก็เกิดรัศมีรังสีขึ้นสว่างสวัยไปอุปมาเหมือนอย่างแก้วเหมือนอย่างทองคำธรรมชาติอันประเสริฐเมื่อนในช่าง ทำการหล่อหลอมหรือว่าไล่สนิมออกไปแล้วขัดถูเท่าใดยิ่งเกิดแวววาวขึ้นเกิดมีสีสันวันนะห่องใสแวววาวใครเห็นแล้วก็อยากได้ฉันในจิตดีที่ได้รับการฝึกฝนอบรมกำหนดละกิเลสตัณหา อวิชชาต่างๆวันนี้ให้เบาบางออกไปเท่าไร่จิตนี่ก็ย่อมท่องใสขึ้นไปเท่านั้นทําให้เกิดคล่องตัวขึ้นมาในการคิดการวิจารณ์เรื่องอะไรต่ออะไร เ, เมื่อเมื่อจิตที่ทองใสขึ้นมาแล้วนะคิดอะไรดรําริอะไรก็เห็นแจ้งไปในเรื่องนั้น ดังนั้นแหละขอให้พากันคิดกันตรตรองพิจารณาให้เข้าใจหลักปฏิบัติดังที่แจงให้ฟังมานี่ความเข้าใจด้วยตนเองเนี่ยสาคัญมากถ้าเพื่อนที่แจงให้ฟังแล้วอย่างนี้ตนก็ไม่สามารถจะจับอุบายอันนั้นไปบำเพ็ญได้หรือว่าไม่สนใจที่จะบำเพ็ญ ให้เป็นไปอย่างนี้นะฟังสักกี่ครั้งมันก็ไม่ได้ผลเลยะจะได้ผลอะไรลนะ่ะฟังแล้วไม่จำเอาไปทาตามนี่ตนเคยยึดเคยถือเคยปล่อยใจไปอย่างไรก็ปล่อยใจไปอย่างนั้นไม่ควบคุมเช่นนี้อะไรแล้วมันจะไปบรรลุถึงธรรมอันลึกซึ้ง จะไปรู้แจ้งทำงมันรึกึึึึึึึึึึึึึึอยึยึึตามกระแสของโลกนี่เสียเป็นส่วนมากอย่างึีึนะึนะะนนึึนึใใึึึึ้ึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึรึึึึ้ึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึให้ึึึึึึึจจ น, นึึึึึจจ น, นึึนึึึึึึึึึึึึึึึึัึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึไึึึึึึึึึึึ ให้เห็นจิตตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันนี่เรื่อยไปนี่แหละเมื่อจิตได้ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันนี้เรื่อยไปแนละ้วมีเหตุอะไรเรื่องอะไรกระทบ ก, กระทั่งมาเข้ามันก็รู้แจ้งเรื่องนั้นเหตุนั้นได้ทันทีเลยเพราะมันเกลี้ยมตัวอยู่มันมันไม่ได้ลืมตัวมันไม่ได้ส่งใจไป คิดปรุงแต่งในเรื่องอื่นๆใดทั้งใกล้ทั้งไกลอะไรไม่ไฟถึงแม้ว่าจะมีโอกาสได้คิดอ่านการงานคิดเรื่องที่ควรจะทำกิจจะวัดต่างๆมืนี่มันก็ไม่จะเป็นต้องคิดไปไกลอะไรนักหนาคิดอยู่ในบริเวณที่อยู่ของตัวเองนี่ไนั่ น, น ผู้อยู่ในบ้านก็คิดอยู่บริเวณบ้านของตัวเองสถานที่ทำมาหาเรื่องชีพของตัวเองเมื่อคิดรู้แล้วก็ปล่อยวางไว้ก่อนเพราะว่าเวลาทำสมาธิภาวนาเ น, นี่ยไม่ใช่เวลาทำการทำงานอะไรเป็นเวลาที่ทำความสงบใจเท่านั้น ไม่ใช่เวลาที่จะใช้กายไปทำงานใช้วาจาพูดการพูดเรื่องการงานอะไรต่ออะไรไม่มีสตินี่ก็เตือนใจเข้าไปอย่างนี้ไะใจนั่นมันจึงตื่นตัวได้เออจริงจริงอย่างนี้นะเวลานี้เวลาหยุดดิ้งนะเวลาพักจิตไม่ทำงาน เมื่อจิตมันเลิกได้อย่างนี้มันก็หยุดเลยมันก็หยุดคิดปรงแต่งไปในเรื่องราวต่างๆที่มันเคยมาแล้วนั่นมันมันหยุดคิดมันก็นิ่งเท่านั้นแหละพยายามให้มันนิ่งไปเรื่อยๆอย่างนี้มีสติประคองจิตที่มันหยุดคิดแล้วนะให้มันนิ่งอยู่ในปัจจุบันนี่ เมื่อมันนิ่งได้มีสติประคองอยู่มันก็สงบไปได้นานนะบ้านี้ฝึกเข้าไปอย่างนี้นะ อ, อย่าไปอื่นใดการปฏิบัติทมในพุทธศาสนานี่ก็คือการปฏิบัติจิตดวงนี้แหละเพราะว่าจิตดวงนี้เป็นใหญ่เป็นประธานของความดีความชั่วต่างๆความสุขความทุกข์ต่างๆ แล้วก็มีจิตดวงนี้นเป็นประธานจิตดวงนี้เป็นผู้รับรู้หให้เข้าใจถ้าไม่มีจิตดวงนี้แล้วดีก็ไม่มีชั่วก็ไม่มีสุขทุกข์ก็ไม่มีบาปบุญคุณโทษอะไรไม่มีทั้งนั้นตลอดถึงเมนนื่อผลนิพพานก็ไม่มีให้เพึ่งเข้าใจดังนั้นน่ะ การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่เมื่อสรุปใจความลงแล้วก็คือปฏิบัติจิตตรงนี้เองฝึกจิตตรงนี้หนะ่อให้มันสงบจากอากุศลธรรมแหละเบื้องต้นนะข้อเรื่องพูดถึงอกุศลธรรมนี่ก็อย่างที่เคยพูดมาแล้วนะมันมีทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดและนี่ ศีลนั่นน่ะผู้ใดสำรวมในศีลมั่นในศีลกระงรับอกุศลธรรมอย่างหยาบออกไปได้ผู้ใดมาบำเพ็ญสมาธิภาวนาทำใจให้สงบเป็นหนึ่งลงมันก็เป็นอุบายระงรับอกุศลธรรมอย่างกลางผู้ใดมาเจริญปัญญาให้เกิดให้มีขึ้น ให้ปัญญามันแหลมคมยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่เป็นอุบายระ ง, งับอกุศลธรรมอย่างละเอียดให้ออกไปจากดวงจิตนี่ถือว่ากิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายนั่นน่ะมันเป็นเชื้อของบาปของกรรมมันเป็นมูลเหตุให้คนเราทำบาป ท, ทำกรรมหมายความว่าอย่างนั้นถ้าผู้ใดไม่เพียรละแล้ว เพียนพยายามมีแต่เพียนสะนสมให้มากขึ้นอย่างนี้นะมันก็บันดาลให้ผู้นั้นไปทำบาปด้วยกายวาจาใจมีเหตุนั้นท่านจึงเรียกว่ารากเง้าของบาปอากุศลนั่นแหละกิเรศ น, นานาประการนี้นะให้พึงพากันเข้าใจดังนั้นแหละพระบรมศาสตราจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอน ให้ภาคเพียรพยายามละถ้าผู้ใดไม่เพียรไม่ยามละอกุศลกรรมเหล่านี้มันก็จะตามสนองแก่ผู้กระทําให้เป็นทุกข์เป็นยากไปในวัฏสงสารนี้ไม่รู้จะจบจากที่ไหนถ้าผู้ใดไม่เพียรละกิเลสเนี่ยเป็นอย่างนั้นก็จะต้องได้เสวยทุกขวเวทนา ชาติแล้วชาติเล่าเพราะอำนาจของกิเลสอาุศนกรรมต่างๆที่ตนสะสมขึ้นไว้ในใจให้มากๆแล้วมันก็ยอมให้ผลเป็นทุกข์เป็นธรรมดาซึ่งตรงกันข้ามกับกุศลธรรมเมื่อบุคคลได้มาเห็นโทษแห่งอาุศลแล้วอย่างนี้นะก็มาเห็นคุณแห่งกุศลธรรมเข้า เหมือนอย่างดำกับขาวอย่างนี้เลยก็เห็นว่าดำนี่ดำบางสิ่งมางอย่างก็ไม่ดีเหมือนกันนะเช่นอย่างกระจกอย่างนี้กระจกสองหน้านี่ถ้าไปเอาสีดำมาทาเข้าไปข้างหลังแล้วจะมองไม่เห็นอะไรเลยเป็นอย่างนั้นจำเป็นก็ต้องได้เช็ดออกต้องได้ขัดออกแล้วก็เอ า, าทาอิ่งอื่นนั่น มาพาด้านหลังของกระจกเข้าไปติดไว้แบบนี้กระจกด้านหน้านี่มันจึงได้ใสสะอาดแบบนี้่องเง า, าหน้าตัวเองเห็นได้หรือว่าซองดูอะไรต่ออะไรก็เห็นได้อย่างนี้แหละอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยเราเอาบุญเอากุศลเนี่ย มาตั้งไว้ในใจนี่ให้มากเท่าไรก็ยิ่งดีแหละเมื่อบุญกุศลมาตั้งอยู่ในใจนี่มากเท่าใลนะมันก็ขจัดบาปอกุศลออกไปเรื่อยๆเหมือนอย่างบุคคลมาขัดกระจกที่มันมัวหมองออกไปเมื่อขัดออกไปเท่าไรแล้วกระจกแล้วมันกระพ่องใสขึ้นไปเท่านั้นนะ อันนี้จิตดวงนี้มีปกติหองใสมาแต่เดิมเหมือนอย่างแก้วเหมือนอย่างทองคำธรรมชาตินั้นธรรมชาติของทองคำแท่มีสีสดใสนะธรรมชาติของแก้วแท้ๆก็มีสีสดใสเหมือนกันนะแต่ที่แก้วจะเศร้าหมองก็เพราะขาเหามาจับเอาทองคำเนี่ยจะเศร้าหมองก็เพราะว่ามีสนิม มาหุ้มห่อเอาหรือว่าดินหรือหินหุ้มห่อไวทองคำธรรมชาติจึงไม่ส่องแสงเววาวออกมาได้นายช่างผู้ชำนาญเอามาหล่อหลอมขัดไล่สนิมนั่นออกไปแล้วให้เหลือแต่เนื้อทองคาล้วนๆอย่างนั่ น, นแหละทองคำก็ส่งแสงเววาวออกมาแล้ว หน้าต้องการหน้าปราถนาอะไรแบบนี้นะอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้น เ, เนี่ยดวงจิตที่เมื่อเราฝึกฝนเข้าไปเท่าไรน้มเอาคุณของทานเข้ามาใส่ไว้โน้มเอาคุณของศีลเมื่อรักษาศีลในบริสุทธิ์แล้วก็น้มถึงนึกถึงคุณของศีลนั่นแหละจนเกิดความยินดีปิติในคุณของศีลนั่นอ่า อย่างนี้นะไม่ใช่ว่ารักษาศีลแล้วแล้วไปไม่ได้พิจารณาว่าศีลมีคุณค่ามาหาศาลอย่างไรแก่ชีวิตจิตใจของตอนอย่างนี้ไม่น้อมเข้ามาคิดมาพิจารณาอย่างคุณของศีล น, นั่นก็มาไม่ไม่ไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรแก่ดวงกิจนี้เหมือนยังยา หมอหมอบยาให้แล้วนี่นะยานี่กินแก้ปวดหัวนะแก้ปวดท้องนะอย่างนี้เขาวางไว้ข้างๆให้แล้วเลยตนไม่หยิบเข้าปากไม่ได้กลืนเข้าไปในกระเพาะยานั้นมันก็ขับไล่โรคภัยไม่ได้ ม, มันก็ทันใดก็อย่างนั้นเนี่ยเมื่อตนไม่ได้น้อมเอาบุญเอาคุณนั้นเข้ามาสู่จิตใจอย่างนี้แล้วบุญคุณนั้นกด กำจัดกิเลสปาปธรรมมันอยู่ในหัวใจนี้ไม่ได้ก็สันนั้นแหละดังนั้นให้พากันเข้าใจเราต้องน้อมนึกถึงบุญถึงคุณที่ตนได้บำเพ็ญมานั้นให้มาปรากรอยูวที่ใจนี้เมื่อใจเห็นแจ้งในบุญในคุณนั้นว่าเป็นสิ่งที่อำนวยความสุขความสงบให้แก่ดวงจิตนี่จริงๆอย่างนี้ มันก็จะเกิดปิติขึ้นว่าตนได้ของดีตนได้ที่พึ่งอันประเสริฐไว้ในใจเมื่อเรางับปิตินั้นลงได้ใจก็สงบลงใจสงบลงก็เป็นสุขสบายเนี่ยเมื่อใจมันสบายปลอดโปร่งแล้วยงนี้พิจารณาอะไรมันก็เห็นแจ้งนะขอให้พากันเข้าใจ ถ้าใจยังรุ่งเหว่งใจมัวหมองใจคับแค้นอยู่อย่างนี้พิจารณาธรรมของจริงอะไรก็ไม่มีทางจะเห็นแจ้งได้ให้พากันเข้าใจอย่างนี้นี่แหละที่ท่านแนะนำสั่งสอนให้ฝึกฝอนอบรมจิตให้มันสงบระงับดักกิเลสป่าประทมต่างๆนั่นก็เพื่อจะได้ดวงปัญญาอันประเสริฐเกิดขึ้นในดวงใจ แล้วจะได้รู้แจ้งซึ่งอริยสัจจะทำทั้งสีคือนี่คือทุกข์นี่คือเหตุให้ทุกข์เกิดนี่คือความดับทุกข์นี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี่จะขี้เข้ามาสู่ดวงจิตนี่แหละนี่คือทุกข์จิตก็เห็นแจ้งว่า อัตภาพร่างกายหรือว่าขันทางห้าที่ตนอาศัยอยู่เนี่ยไม่เที่ยงเมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงแล้วสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ในเมื่อขันห้านี่บุญปุสชนยังโรอเรี่ยงรักษาอยู่มันก็ยังไม่แตกไม่ดับก่อนแต่มันก็แปรปรวนไปทีละน้อยละน้อยไปนี่ถ้าใจเข้าไปยึดถือของไม่เที่ยงอย่างเนี้ยใจก็เป็นทุกข์ ถ้าใจไม่ยึดถือแล้วก็เป็นทุกข์แต่ร่างกายอย่างเดียวใจไม่เป็นทุกข์ใจไม่เป็นทุกข์แล้วก็ใจก็รู้เท่าทุกข์คือขันธ์ห้านั้นตามเป็นจริงนี่จึงเรียกว่าใจรู้เท่าทุกข์อันนี้ที่คําว่ารู้แจ้งในทุกข์นั่นนะคือรู้เท่านี้เองนะไม่วันไหวนี่เองเนี่ยรู้แจ้งในเหตุให้เกิดทุกข์อย่างนี้ก็ ก็รู้แจ้งว่าตัณหาความทยานอยากไปในอารมณ์ที่น่ารักน่าใครน่าพอใจต่างๆในโลกนีนะ้ล้วนแต่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นเลยอันนี้คำว่ารู้แจ้งในความอยากตามไม่จริงนี่มันก็แยกประเภทไปนี่นะในในเมื่อยังมีกายมีจิตอาศัยกันอยู่นี่จะไม่ให้มีความอยากเลยก็ไม่ได้ เช่นอยากข้าวอยากน้ำอยากกลับอยากนอนอย่างนี้นี่เป็นความอยากตามธรรมชาติที่เกิดมาพร้อมกันกับขันหานี้เพราะขันห้านี้ต้องเป็นอยู่ด้วยอาหารด้วยเครื่องรอเรี่ยงการ่างๆจาเป็นถึงเวลาต้องการมาแล้วมันก็อยากก็หิวเอาหิวแล้วก็หามาบํารุงมันเมื่อมันได้รับบํารุงแล้วความหิวแล้วมันก็หายไปอันนี้เรียกว่าความอยากตามธรรมชาติ ถ้ารู้เท่าแล้วไม่อยากเกินขอบเขตแล้วมันก็ไม่มีโทษอะไรอไปอย่างนั้นแต่ความอยากที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่มันอยากเกินขอบเขตอยากเกินขอบเขตจนเป็นเหตุใ ไ, ได้ทําบาปมีฆ่าสัตว์เป็นตน้นนี่แหละความอยากอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ควรละเอะก็อเพียรละให้มันหมดสิ้นไป เมื่อตัญหาความอยากไปในทางบาปอากุศลมันดับไปทุกทางใจนี้มันก็ดับเท่านั้นเอง เ, เมื่อทุกดับไปจากใจก็รู้ตัวเองได้ว่าเวลานี้ใจของเราไม่เป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนอะไรอย่างนี้แล้วก็รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์รู้ว่าทานสินภาวนาหรือสินสมาธิปัญญาเนี่ย เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้จริงๆควรบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นแท้้ดังแสดงมา